แปดสิบอัตตาหรือเวทนาดับแล้วอัตตาเวทนาก็ยังอยู่สุดท้ายจึงเหลือแต่อัตตาที่เป็นอธิจิตที่ไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมเพราะได้ชำระจิตให้ผ่องแผ้วแล้วสัพพปาปัสสะา ก, ากัรณงกุสลสูปะสัมปทา สจิตสปริโยทปนังนั่นคือได้ดับอัตตาสในจิตใจของตนที่เป็นอกุศลจิตไปสิ้นเกลี้ยงแล้วบริบูรณ์จบจิตในธรรมมิยามห้าสมบูรณ์และยังเป็นผู้มีอัตตาที่อาศัยอยู่เป็นธรรมดาเมื่อได้ดับเวทนาในเวทนาสาเร็จจริงแล้ว เพราะอัตตาของเรามีเวทนาเป็นธรรมดาพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ63ผู้ทำความเกิดชาติและพร้อมทั้งทำความตายอารณะจึงชื่อว่าตายอย่างนิพพานได้จริงจนกระทั่งมีการเกิดใหม่สมบูรณ์เป็นผู้มีอภินิพัติ การเกิดของภาวะนิพานในจิตใจแท้ชนี้คือผู้เห็นความตายความเกิดหรือเห็นความเกิดความดับจริงๆด้วยสภาวะจริงและรู้จักรู้แจ้งรู้จริจงรด้วยปัญญาของตนอย่างแท้จริงไม่ใช่าการเห็นความเกิดความตายแบบตะกะหรือแบบเดาๆด้วยการประมาณเอา หรือด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งยิ่งเท่านั้นแต่เป็นผู้สัมผัสความจริงของรูปนามที่เป็นอุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามทั้งธรรมนิยาม5จริงๆ เป็นผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความตายความเกิดของพลังงานในจินนิยามและได้ทําความตายความเกิดในความเป็นสัตว์โอปาปาติกะในจิตตนเองอย่างเป็นผลจริงที่เห็นด้วยปัญญาตน